ไนก่อนนะาะไมชาตินี้ก็เอาาหลายหัวเหมือนละชาตินี้า่างชาติตผายอยากเอาถ้าหลายเหนี่ยนพราว่าชาตินี้รเราเห็นได้ว่าบางคนมันก็เมาเล็กเคิดขาเิดขมีรายหนึ่งถึงตีหรืว่าปังปังปั้้าากันเลยไปแล้วถ้าหลังดีเสียมันเมาอยู่แล้วก็ออกน่นไปสู้หลังคนตะบะเป้ามันตีสรงเดเื่อยมาทุบบ้านเนี่ย ทิ้งตีรั้วปังปังแล้วก็โผล่ตีหัวปังปังแท็กไปสองรายสลบไป่นหนึ่งรายแล้วยึดแต่พุทธหมดแล้วเข้าไปยายถามเล็ดทำเขาทําไมลูกก็ถามขึ้นว่ารั้วผมทําอะไรมันอ่ะมันตีรั้วได้ผมก็ตีหัวมัไนไอ้หมดเรื่องหมดราวที่ได้ผลแต่แตวันนั้นต้นมามีใครดีด้วย เ, เลย แถมเมาจากที่อื่นมาถึงหลังบ้านหายเมาไปเป๊ะมา น, นอนเลยเขยจะเป๊ะใหม่เรียบร้อยนี่คนไทยก็ต้องปราบแบบท่านพูดเสร็จรู้สึกษษษษษษษว่าท่านพูดดีแต่บอกว่าความนี้ตกกังวลที่ว่าแม่ลาบา ก, กลูกมันต้องคิดเลยรต่อที่ว่าไม่คิดไม่ได้ถ้าไม่คิดต้องรอาตัดันอยู่ ท่าเลยบ่าถ้าอาจารย์ยูอาจารย์ูมาแล้วนี่มันเลิกมาแล้วเนาะมาตอนนี้ไมน่นียเลิกแล้วแ <c> ล <oughs> ้วท่านบอกท่านดีใจมากท่านมุ่งมั่นพัถนามาชาติที่อยากจะเห็นลูกเป็นคนดีมีความสุขไอ้คำว่าดีของโลกมันก็ดีมาแล้ว <c oughs> แล้วไปเรื่องขัดใจพ่อแม่บังเป็นของท่บรรดาพ่อแม่ทุกคนไม่ถือโทษที่เราขึ้นไปไปขมาทุกคืนไง ช้างขึ้นไปเนี่ยช้นก็ต้องรวมพ่อแม่ฉันงช้งเขามาโทดคืนผู้กรยเหมกันนะแล้วก็พอตอนนี้พรจะเจ้าสนศักสิ์บอกเรื่องนี้แหละคุณที่ถึงนิพพานเร็วนี่เป็นโจทย์ใหญ่เลยเรื่องนี้คุณไม่ทิ้งคุณพ่อไม่ทิ้ ง, ค, งคุณแม่เนี่ยนะ แ, แล้วาก็หัน ไ, ไปไหว้ผูบายจารย์เป็นโบติเพะถึงพระลงพรินรารได้ชมชมหมดพ่อแม่ ครูบาจารย์ท่านผู้มีคุณทั้งหมดต้อง ไ, วองไวองหว้บรยิพาตเี่อื่นท่าต้องต้องประทําแบบนั้นนะอันนี้ท่านบอกเป็นจุดดึงบรรยิพานเลย <c oughs> อเอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นบรรยิพานแล้วบอก็ต่อแกไปแล้วไม่ไปมันก็ไปอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเอาไว้ตรงเนี้เอาตรงนี้ก็ชักยุ่งเถอะเอาตรงนี้ถ้เ า, าเข้ายืนกันรัศมีกายเข้าป่องใช้เต็มที่เราทั้งหมดโม่ม่ไปว่า กันเลยบอกเจ้วันนี้ข้าพุทธเจ้าทำไมทัศนีกายมัวไปเลยถ้าบอกว่าไม่มัวไม่เมอแต่แกมองคนอื่นแกไม่มองตั ว, ตวเองแตกแตนเห็กมาสีมายิงข้าลงที่เลยสิมาสีเป ล, งล่งทัศนีเต็มที่มาสีกัไปว่าอันอ่าบวกคุณดูตัวคุณสิตันเลยไม่สีเท่าไรไปเมื่อกี้มันตันกว่า เราบอกเมื่อมันต่ํากว่าไอเราโมาไปนองเ้าตาปกติเขายังไม่เปลี่ยนสีเั็มที่แสนเตที่ใช่ไหมไม่เปลี่ยนแสนตามปกติเราเห็นหน้างล้ายบแบบเท่าเทาแบบมันโมโมแบบธํามดาธรรมดานี้เราไม่สบายเนี่ยเขาต้องขึ้นเต็มที่นอกจากว่านอกจากโยงองเดียวโยงอิญญเนี่ยถ้าท่านชอบถ้าฉันชอบสีทองท่านยังไม่ยอมเปลี่ยนสีที่เปลี่ยนสีเหลืยผม เราต้องเดินถามว่าเท่าเขายัางนะรอนหน้ากวาจะเท่าอ่ะเพราะเมื่อกี้ไม่ก็เท่านะคุณไม่ดูโตขึ้นคุณเองนะคุยไปคุยมาแท่บอกให้ก ล, ลับไปกลับไปหลับมันนิดเดียวแล้วถามถามว่าถ้าหลับแล้วตื่นมาจะเป็นไงเพราะมันไม่เป็นไงพวกนี้ให้เขาให้นองไปล็กนะแรงเยอะ ด, ดีขึ้นพอหลับมาตื่นตื่ น, นแล้วก็ที่มาตรงนี้ตอนอื่นเขาไม่มีอะไรเขาเป็นตลอดเวลาใครทำมาพวกนั้นตลอดเวลานะ มาตรงนี้เมื่อกี้นี่นอนนะ่นไม่หลับดีไม่ดีนะแตใครไม่ข้เข็ฑเราว่าตายนะาเลยม่ไดีไมด่ดหลับคือว่าทีแรกเขจะจับเป็นชานเฉยๆท่านสบายเพราะจาัสบารมสบายๆรุนหนักหนักหน่อยจับอรมไปดตหนักไปหน่อยนะเพราะหนักเวลานอนเดีพัฒท่ผมา ส่วนเด็ดที่จะมาทำท่านทัานโตดีทําไมาแล้วแล้วคนนั่นเข้าคนนี้ออกกล่อกันยุ่งกว่ควายกว่าตอนแรกมึงไปปูมามึงมากูไปไอทีนี่มันแคบไปนะที่นี่มันแคบไปเพรว่าพอขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายจนก็เห็นจะดสำคัไปลาอีตอนที่มอนสเด็กออกมาตอนดึงขาเข้ามาดึงขามันขัดจังหัดให้ดึงขามันเข้ามาเอง มันเป็นภาพของสมาธิงั้นท่าไม้เฉยตอนนั้นสมเด็จจ้าก็เรียกวงทิพยประภนิพทมาขี่อยู่ข้างนอกอขี้างค้างบอกกลดูข้างในพ่อที่มีอะไรบ้างเดี๋ยวท่านเรียกเึงากรมันพัดมาซ่อมให้หมดนะั่งซ่อมนะไม่ต้องไปซื้อเครื่องอะไร ท่านโกมารพัฒนถามนี่เอาอย่างเหล็กเอาอย่างทองแดงแต่ม่าถามอย่างนั้นไม่นเป็นเป็นเอาต้นเด็ดนะเป็นทป็นเป็นเป็นอรหันบอกเอถ้าเหล็กไม่เป็นสนิมก็เอาอย่างเหล็กถ้าเหล็กเป็นสนิมเอาอย่างทองแดงฉะนั้นเอามันสองอย่างเลยเอาทั้งอย่างเหล็กอย่าทั้งเป็นทองแดงที่ก็ว่าชันเลยพอท่านโกมารพัดเริ่มทํำมีพวกโยม ปราถ้ามดยมมั้งหมดมันเสมขามายืนลอมค้างๆถ้าเปล่งมันเสียเต็มที่แล้วก็ดูไปพักเขาใช้กำลังใจช่วยอ่าแต่เดี๋ยวเสร็จมันจะถอยออกถ้าออกกลุมกเข้าเขารอมกลุ่มถ้ารอบถ้ายืนอยู่พักท่านทำไรงท่านกไม่โดนทนยืนนิเฉยแต่าว่ า, า, วยมมายมมม่ยอมก็ยมยืนในศัลยมยืน ท่านไม่ไม่ยอมชีเหลืองทั้งหมดครั บ, รบเป็นร่างกายหมดแต่ว่าโอ้โยอมบอกฉันเปลีนไม่ได้ลูกฉันชอบชีเหลืองม <c oughs> ีชอบสีเหลืองพอชุดนั่นไปหมดใ น, นบรรดาอาหารที่มีผ่านโภพระใท้คํามันล้อมไปชดอยู่ลอมไปชดก็ออกไปแล้วเหลืองนพระพระุทธเจ้าเขามันล้อ ม, ออมออออไปชดพอพระเจา้าคํามันล้อมไปชดุออช ด, ออชดท่า น, นบอกว่า ต่อแต่นี้ไปเรื่องกดข้องการเดิมยกเลิกกันไปเพราะว่าเราเกิดใหม่อายุนี้ไม่ใช่อายุเก่าคือมันอายุช่วงต่อที่เป็นการเสริมใหม่พราาตายในวันนี้นี่เราเกิดใหม่เื่อการการเกิดข้างหลังเนี่ยการที่เราสรรม บ, บทมาแล้วเนี่ยเราไม่สร้างกันชั่วใช่ไหมกรรมเก่ายกเลิกไป ถึ็เรื่องประสกิโลมีด้วยนะท่านก็เลยบอกว่าเรื่องทุกขเวทนาใดๆต่อไปนี้คนน้อยแต่เรียกว่าเรื่องของขันห้าถึงแม้ว่าเราจะซ่อมแซมดีขนานไหนก็ตามแต่ว่าขันห้ามันก็ต้องเป็นขันห้าจริงไหมจำได้ไหมนะว่าถ้าเรามีขันห้าเนี่ยจะไม่ให้มันป่วยและไม่เนียวจะไม่ให้มันสุดโมมันก็ไม่มี แล้วก็ต้องมีป่วยมีสุดโสมจะเถว่ามันคงยังไม่หนักมากนะแนื่ถ้าเราโสมแต่งงานต่อไปขึ้นหน้าเลยมันมากจากัดไอเรายังแก่ยังรวยนะอืมหมอถ้านก็เลยจะได้ถามนึกว่าใชา่ก็ไม่ดีนี่สภาวะไม่ดีแม้สัตสัญนายก็งอนยงยน่าบอกก็สัตว์สัญนายงอ น, นี้ยดีใจทต้องอยู่เราอยู่ในนี้เขาปีกันทั้งเมืองแล้ว นั่งด่าเขาหาวด่าเขาบอกดีบอกพยายามแก้มือมาบอกตอนนี้ไม่เฉลียงคุณเลยของฉันถ้าเขาทากับคุณก็เที่ยวเขาทำกับฉันดูเทวะทัตที่ทำกับฉันมีผลไม่งไงในกรกตินามาริยุกาทางกับฉันมีผลไม่ยังไงสุปาพุทธะทางกับฉันมีผลไม่ยังไงตอนนี้เขาทากับฉันนะนะแต่เขาทากับคุณ เราชักเจิงๆ <c oughs> ตอนนี้ชึกมีกำลังเล่นประถานว่าถ้าริ่องชาติชาติชาติทรงอยู่ไม่ได้เนี่ยประเทศศาสนาก็ทูงไม่ได้แล้วบอกฉันถึงได้บอกกับเธอว่าหนักเธอต้องไปที่จุดของประเทศมันจะมีนตรายอันดับแรกให้ไปตะาวันออกก่อนถ้ามันจะเข้ามาไม่ได้ แต่ความจริงทั้งสัส่งนานแ้นะหลายปีย่ที่องไปไปลำดับข้าวไดพออันดับแรกปีนี้ให้ไปตะวันออกก่อนไปไปไ อ, เ อ, เ อ, เอข้ขามเมฆเตจ น, น, นี่เราไม่กลัวตัวโยนเตจไปตะวันออกก็บอกไปทุกที่เนะะแล้วประเทศมันจะท่งตัวไม่ไดลืมเนื่องว่าเราเก่ง น, นะท่านนะ ใช่ไหมเรื่องของท่าน <c oughs> จนึงน้่แขก่งจัดนันตาที่ไหนเขาบุกมาได้ไมาสายของเรืนท่าน <c oughs> เคยด้วยเดินก่อนมั้งคุมกรรมฐ า, านยุทธศาลาโนรัฐพอปุ๊บครันี้จะเป็นไงก็าช่างให้สารค้าคุมเนาพาไปรอบประเทศเลยเนื้อพาไป ร, ป ร, รอบประเทศถามมาทำไมบอกเอาจะไปที่ไหนแล้วก็มันบุกไม่ได้หรอก ถามว่าเป็นบุญบา ร, รมีข้าพเจ้าเลยบอกฮึฉันด้วยพีแหมชั้นนก็เราเก่งเลยเดอแล้วก็ใจใจว่าไอเรามันไม่ไหวนะเราเนี่มันไม่ไหวต้องท่านท่านนึจ่จะไหวแล้วต่อมาตอนนี้พอพอจบจุดที่เราทำอะไรต่อไรกันเสร็จนะท่านบอกว่าทีหลังถ้าจะใช้กําลังอะไรก็ใช้ฉับพลังศีด้วยนะ ถ้าถามเอ๊ะว่าฉับพลังสีนี่ว่าใช้ ไ, ได้แต่พระพุทธเจา้าภาษาพวกนี้ไม่มีฉับพลังสีถ้าท่านถามว่าสีของเธอมีกี่สีวพรนะใท่านหน้าที่พุทธภูมิไม่เต็มก็มีอยู่สีอามีอยู่สี่ใช้ได้จริงมีสี่ท่านบอกว่าอ้าวเวลานี้เป็นภาระของเธอเลยเอ๊ะเราลืมละคุยยิงอะไรเปวันนี้มันเป็นภาระของฉัน ก็ใช้ได้ทั้งหกสีถ้าถามวาใช้ได้หก ส, สีแล้วฉันสว่างถ้ามันเถ้าบอกลองเปล่งดูดิท่านก็เปล่งแล้วเป็นไม่เท่าท่านไ <c oughs> งก็เลยไม่เท่าท่านท่านบอกเนี่ยแค่นี้พอพ อ, อแค่นี้อพอสรเลยบอกเอ้ยแล้วก็นึกในใจว่ามันจะเป็นเป็นการปรา ม, มาสไหมถ้านเราไม่ใช่ปรา ม, มาสแต่ฉันให้ใช้แต่หัดละ ถ้าเธอคิดว่าจะใช่เดชเธอเธอจะตกทันทีใช่เองมาใช้ราศีเทวุจจะเจ้าอันนี้เธอจะตกทันทีแต่ว่านี่เธอไม่ได้ใช่ฉันให้ใช่นะแล้ว่าใช่ให้คนเห็นมากไปใช่ให้คนเห็นคงกระตุ้นรกหมดวดยถามว่าใช่เวลาไหนใช่เวลาใช้อํานาจเวลาไปตามจุดต่างๆให้ใช่ใช้ราศีนี่เรืยว่าทีถ้าเรายังไม่ไม่ได้ไป ไอเห็ุร้ายมันเกิดขึ้นให้ใช้ลัคนีอไปจุดนั้นจะเป็นการยับยา้งได้นี่เคยเป็นนักรบมราแสดงดิเห็นไหมนักรบที่มันนอนตัวไป็เป็นสบายวันนู้นนี่สบาย ส, บา ย, สบายทุกทีต้องแบ่งให้แบ่งแตโตัวมั้งถ้าเขาใช่ต้องใช้ทัพนวิธีเห็นขึ้นอุปยานุเห็น และนี่ท่านไม่ได้ใช้เวลาสอนธรรมท่านไม่ได้ให้ใช้เวลาสอนธรรมถ้าใช้เวลาสอนธรรมอันนี้เจ้าถ้าว่าอย่างของท่านเนี่ยคนลืมตาเห็นธรรมาดาเนี่ยใช่ไหมนี่ท่านไม่ได้อนุญาตให้ใช้ในเวลานั้นอนุมัตเวลาสอนธรรมก็ใช้ได้คือว่าเอาแสงเนี่ยมันช่วยกําลังจิตคนสว่างษษษอันตาโบดีท่าให้ใช้ลงสีนวเนะ่ะที่เวลานี้ไม่จุดเกียงไม่ไม่ใช้ไปเนะ่ ว้าใช้โลกระสินแทนถ้าต่อไปให้ใช้ชาพนังสีแทนถ้าฉาพนังโลก็โลกระสินถ้าชาพนัาสีมีลักษณะคล้ายอย่า ง, งที่บางคนได้มอไปไม่ได้เป็นที่เห็นนําไปอันนี้แต่ว่าใช้โลกระสินก็ใช้สีสีผสมไปด้วยอโลกระสินนั้นมันเป็นสีหนึ่งในสามสีตามปกติมัน ส, ส, สีใสอะสีใสที่ต่อไปถ้าใช้ฉาพนังสี แล้วก็ถามถึงงานที่จะทําทต่อไปเรื่องกันสร้างวัดสมบัติประการสร้างวัดสรมบัตนี่มันไม่หนักหรอนักหรือไม่หนักงานที่สั่งเขาทำในเวลาเนี้ยยังเป็นหีค่าแรงงานที่หน้าแสน <c oughs> พอไม่พอกำนวณเขาก่อนไม่ไม่ได้คํานวณไอ้ตที่ทสองทำสองจุดนึ่นอย่างอื่นมีอยู่สี่แสนน่ะ ครึ่งรันนิดหน่อยอแล้วก็แลกนหน้ายัางเย็ต่ออีกเรื่องเรื่องเล็ลลกๆท่านว่าไองานก่อสร้างนมันไม่หนักนกแต่ราส่วนที่เย็นหนักก็คือธรรมะไอคนที่มันย็เข้ามาเนะี่ยมันจะเข้ามาหนักอาคารเนี่ยมันไม่พอทางเข้ามาหนักไงบอกเข้ามาหนักตอนนี้มันตอนนี้เราเรีสอนมโนยุธิถ้าอาคารเสร็จก็จะเป็นเรื่องของสัญน์ สัญญาณที่คนเขาจะเป็นพระอดีตเจ้าเนี่ยเข้ามาถามว่าที่อื่นที่อื่นเขาต้องมีมั่นกันแต่ว่ามันไม่หนักเจ้าของเราหรอกเพราะว่าไอ้ของเราแค่ลูกคนอย่างเดียวก็แสงกว่าเลยใช่ไ้มแค่ลูกลูกคุณอย่างเดียวก็แสงกว่าแถ้าชี่อพิธีโยมถ้าลูกของโยมปะล่ะถ้วถามว่ถ้าอย่าง่อ ท, ท, ท, ท่านนะคนของฉันนะแล้ว <laughs> <laughs> เรามีหุ้นสามหุ้นแถมหุ้นใหญ่ซะด้วยไอ้หุ้นเล็กเลย เรื่อยแล้วก็บอกว่าการบันทึกเพื่อสับสัญญานี่ราฉันจะบอกให้นะต้องทําคดเสดมากหน่อยเพราะว่าอารมณ์ของคนไม่สมัครกันท่านที่ได้กะให้สร้างสถานที่ใหม่แล้ะพวกที่อยู่เพื่อปฏิบัติสัโยชน์ให้อยู่ได้หนึ่งเดือนแล้วไม่อยู่นานนัน่นนะใหแค่หนึ่งเดือนให้จุดเยอะแค่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนีก้ก็ฟังไปฟังมามา ะ, ะไม่ได้กระฉับมั้ย ฮัลละไม่ได้มาที่เป็นคนอื่นฮัลละนี่เขาให้ติดโยนับเดียวเพราะว่าเหลือดาปโซดาบัน <c oughs> ถ้าใครจติดสูงไปกว่านั้นทำไมเป็นไรดีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าเขาติดติดปโซดาบันเขาไปนิพันธ์หมดคือ <c oughs> ว่าอารมณ์เชื่อมเต็มที่ใช่ไหมในการไปนิพันหมดแต่เออท่านจเจริญท่านบอกให้สัง่งเขาพุทธีบอกได้ไหม ว่าทุกคนเนี่ยเวลาปกติให้คิดไว้เสมอว่าร่างกายไม่มีความหมายฮะใ น, นอารมณ์พองเราจะจัดจับไปจุดเดียวคือ น, นิพพานถ้าทุกขเวทนาไม่เกิดขึ้นในร่างกายต้องถือว่าทุกขเวทนาก็ไม่มีความหมายเราะว่ามันจะเป็นยังไงก็ชั่งใจเราให้สบายทำได้ไหวคนนู้นทำได้ไหมไม่ใช่ตัวปกติตัวซ้อนไปปกติเขาด่าเขาว่าก็าควนเขาขอดเนี่ย ให้เนี่ย ต, ตั้งมันต้องเริ่มในจุดนี้นะถ้าจุดนี้มันชินในเจ็บป่วยก็เหมือนกันถ้าเจ็บป่วยไม่ต้อห่ะรวบรวมพลังมันจะขนาดนั้นโค้งออกใช่ยังไงเปนลอยข้างนอกก่อ น, นีดิ้นมาดิ้นไปล่ะกูไม่ดิ้ น, นกับมึงนะเนี่ยเราไม่ดิ้นกับมันกัหมดเลยนะตนนาน่าเพี้ยนอ่ะเมื่อเราไม่ยึดที่ที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นกําไรสูงเพรว่าเอกซ์กับเจ็บปวกระ่อบ น, นิดเดียว ต้องทําเป็นคนขี้ขลาดเพื่อการทําเป็นคนขี้ขลาดอันนี้เลยพอมันเริ่มเป็นหัวนิดเปิดนอนมันปก็เปิดเลยขึ้นเลยนี่ต้องทำเป็นคนขี้ขลาดอยู่เสมอแต่ปกติเนี่ยต้องขึ้นทำอะไรไวที่สุดไม่งั้นถาทําอะไรอยู่พักไปหัดไปหาหยาบหาท่านปูหาท่นเดชแตะแล้วก็ไปไปไหนไปให้มันคล่องถอยเสมอใช่ไหม ทำงานทําการอยู่นั่งคุยกันอยู่คอยใครคุยไม่ชอบใจลองแผล่นอน่ะบังคับให้หมคุยไปหัดขึ้นชินเพราะถ้าหัดชินแบบนี้แล้วก็ต่อไปเราจะเห็นว่าการควยให้มันสบายเมันไม่ไม่แปลกอย่างชั้นเนี่ยอย่างที่เข้าไปในห้องน้ำเนี่ยมันชอบนั่งพับผ้ามันฝ้าทันทีเลยนะมันฝ้าแล้วใช้ตามราสั่นแค่ท่ามองประตูไอ้มองประตูในเห็น เห็นท่าไม่ไปไ็นเลยเอยท่านนังตรงนี้ดีจะล้มหรือไม่ใจสบายร่างกายสมบูรณ์ก็ลุกมาจะไปนอนที่เตียงออกมาแล้วเห็นกระโนดอกมันอยู่ตรงนั้นหมดแรงแร่างกายหมดแรงใจไม่เป็นไรนะใจไม่หวีว่ไม่หิตแ่้แต่อะไ ร, ะไรทั้งหมดจิตใจน้อยปกติประสาทเขาเรืงงประสาทใจก็เรื่งงใจใช่ไหมเห็นท่าเอ๊ะท่าไปไม่ไหวเอาตรงนี้ด้วะนอนไปแล้วก็ถอดเป็นตาก็เป็นตามีหัก ไหนยังหงมันตายเลยยังอย่างน้อยที่สุด ม, มันขายทำสบได้ดีไม่ดีอันนี้ประมูลทั้งล้านอันนี้เจอหมอเน่เป็นตาในสาคัญที่เดน่นเขียนไปแล้วต้องทำทำ ท, ำทำเป็นอะไรสิในอลเซอะไรมะลาแสงลเลยใครได้เป็นตานี้ไปยังมีที่จุกยานแจงใส่แล้วเรียยวเป็นมโนมใหม่สามารถจะปฏิฐานได้ ฟ, ฟังไม่ไ้ฟังไและเจียยมันตรงนี้ทำงานหนูนนได้ก่อนเพื่อนยังมาวานี่หนูได้แล้วไอ <c oughs> <c oughs> ้นี่เราต้องพยายามทอารมณ์แบบนั้นร่างกายจะเป็นยังไงเขาช่างใช่ไหมถือว่าเป็นธรรมดาของขันหางอย่าไปสนใจมันมีอะไรนิดนหน่อยๆเขึ้นแล้วมานอนก็ตามไอ้เรื่องขันห้างก็เปอย่างนี้เราต้องดูพระเจ้าพระเจ้าเมื่อคืนท่านบอกคุณชัยก็ป่วยเหมือนกันนะ ถ้าว่าฉันไม่ป่วยนะท่านหมอชีพกรมอภัยก็ไม่ต้องไม่ต้องมาหมอประจำตัวฉันแต่ว่าฉันมีเวลาพักครั้งสิบห้าวันสิบห้าวันนี้ใครเข้าหาไม่ได้เลยนะมีพรานรนท์เฝ้าหน้าธรรมเลยห้ามไปฟตาพระอันทั้งหมดนะทกทั้งหมดไมีใครเข้าได้เลยทรงอยู่สุขบิหานไอ้สุขวิหานก็อยู่อย่างเป็นสุขให้ใจสบายฉันมีเวลาพักครั้งสิบห้าวันแต่คุณนี่ไม่มีเวลาพักเลย ออจริงๆท่านีหลังท่านเอาใหม่นะั่นสร้างขึ้นอหดเสร็จไมไปพักนอนนะบอกไปเที่ยวต่างจังหวัดน้องเขียนไม่เท่่ไอ้นี่นเขาจังหวัดอุ ท, นะทัยเนี่ยเชียนนอนเขียนจังหวัดอุจจจะได้ไหมเป็นโเขียนจังหวัดอุจจจะบอกบอกลงพ่อมาอยู่ไปต่างจังหวัด อีหลังน้นอะคิดอีหลังหน้าอนะไรคิดอะไรทั้งันอากาศสบายอากาศมันปลุกอากาศสบายนิ๊แล้วก็มันจะอยู่เป็นสุขว่าฉันนี่ไงถ้าเวลาปดปวดหัวก็เป็นนอนเล่นใช่ไหมไอ้เท่ๆมันเท่ะไรนี่มันเลื่องมันมันจะหมดแล้วว่าฉันเนี่ยพยายามพูดให้มันหมดเวลาเนี่ย ไม่ได้ไม่มีอะไรวที่เราจะพูดใน้ฟังหมายว่าทุกขเวทนาใดๆที่ไม่เคยเกิดกับเราเนี่ยความจริงเมื่อวานเนี่ยป่วยแล้วไม่มีทุกขเวทนาทางใจเลยใช่ไหมในการทุกขเวทนาทางกายมันก็ถ้าพูดตามลักษณะแล้วถ้ามันไม่หมดแรงแรงนี้มันไม่หมดเนี่ยมันจะต้องถือว่าไม่มีทุกขเวทนาเลยแต่ความจริงถ้าลงหมดแรงขนาดนั้นทุกเวทนาทางกายที่มันมีมาก แต่ว่าเราอาใส่กําลังจิตที่เราถอยออกอย่างหนึ่งนะทั้งนเรียกว่าอธิวคันติคือข่มอารมณ์ที่ตอนที่ไอมันมันปวดอาญาหรือตรงเนี้ยมันปวดประเดี๋ยวเดียวเฮ้ยมันปวดพรอะไรมันนะปวดเพราะอะไรช่างมาเปนไรเพราว่าช่างมันเป็นไรเราไม่สนใจว่าเลยไม่ปวดเลยทั้นั้นเขาเลยเอ้ยทำไแขนมันมันโตมันนึกว่าเขารักผ่าก๊อซมันแน่นเปกินไปมั้อจับซอยเขาแล้วนะที่ไหนได้ แขนเบ้อรยู่ไอ้เนี่ยไอ้เดินแล้วไม่ไดูใช่ปลา่าปล่าไอ้ไอ้เนี่ยเราะปลา่าให้ให้ให้เพื่อนไปสูตรใช่ไหมว่าถ้าเราใช้จิตอาการอันนี้มันปวดสมองนะ่ะออกมาเ น, นี่มันต้องปวดที่นั่นมันปวดใช่ไหมถ้าเราไม่สนใจมันอัเดียวมันก็เลยไม่รู้สึกแม่จุดนี้เป็นเป็นช่วงที่มีความสำคัญที่สุดใช่แปลแม่ใช่ ก็ยัง <ç> ม <'s S 2> ันไม่ม so ีอะไรแค่ก็คุยสนุกสนุกเราะนั้นมันมีแรงนี้จะคุยกันไปถ้ามันหมดแรงกันเลยคุยอีตัอนเขาเป็นนอนตอนทขามปนนอนปัฒน์น่ยความจริงเออร่างกายมันหมดทุกป่ามนุษยะที่หมอก็บอกเป็นลมตอนนี้เออร่ามันออกไปออไปมาหาคุณเดชันพอเป็นั่งกลับกลับแล้วบอกทำตัวให้สวยหน่อยสิมาสวยไง ให้ท่านสมีมันของสายน้อยเนี่ยพอท่านบอกเอามันกระสวยพอท่านบอกว่นกว อ, น, อวนี้เขามาพึกเต็มออกไปไม่ได้ไดออนพึกเต็มออกล ว, วท่านบอกสุดแต่เดี๋ยวท่านมาล้อมกันเต็มแต่แต่ตแต่แลท่านบอกมันยังไม่ถึงวาระนะแต่ว่าสุดแต่ทําบอกแกตายแล้วนะตายแล้วนั้นนี่เกินใหม่ได้สามสิปีสี่สิปีในยนนไ เราอย่าไปมุ่งแบบนั้นไม่ถูกนะไม่ ว, ว่าจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็ไปเรื่องคันห้าท่นยุทประคองใช่ไหมแต่พวกเราจะต้องคิดไปเสมอว่าคันห้าขงรลวพ่อก็ดีขเขเจอดีมันไม่แน่นอนตั้งจุดวันนี้เพื่อนพพาอยู่เสมอไปถ้าตั้งจุดได้อย่างนี้เสมอท่านไอตัวเตะโถงที่มนจะตัดมันตัดได้น้อยเข้าใจไหมภาวนานุสติเตไอ้ตัวตัดมันตัดได้น้อยเพราะว่าเระมุ่งอะไรเรามุ่งธรรม เวลานี้เราสอนทำทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ช่วยสําเด็จท่านงานคืองานนี่คืองานสมเด็จท่านสามพิณเทวบดีคือว่าเป็นงานของท่านเองเพราะฉนั้นทุกคนนี้ทํางานเนี่ยก็เป็นงานช่วยงานท่านใช่ไหมในเมื่อช่วยงานท่านท่านก็ต้องประทับประคองทุกคนแล้วก็เลยถามาไอ้พวกเด็กๆมันตายก่อนข้าเจ้าตายหงอไก่ข้าวตายมันยังมันยังแต่ใครมันทําดีมันยังมันเป็นมาดมันตาย บอกมันอยาอย่าตายก่อนให้มันตายไม่ได้จะแก่คนเช่าแล้วโค้เช่าไว้ยใ่ไหมนีค่ความจริงากกวา่าพระอย่างเราเนี่ยกินข้าวก็ไ ม, มนมหมักในคืนนี้กินข้าวไปสามจานวิตามินแทนจริงแค่ส่นเดียวล่อสามส่วนั่นเปอเดียวมันจะยันหน้ายันหลังไม่อยู่ให้กันไว้ก่อน ให้ว่วาโอ้วงอ้วมันมีขันขันเพราะอะไรหมอสีสั่งเร <c oughs> าหยิบมนหนึ่งหมอสีบอกสามยีน <c oughs> หมอใหญ่คุมตัวหมอสีบอกต้องสามหนึ่งไม่ได้ขาหน้าไม้ร่างกายมันขาดอาหารหมดเลยมันขาดหมดเลยแล้วก็ถ้ากินอาหารมันก็ไม่มีประโยชน์แค่าตายนี่ยันไมมีคนแน่นอน แต่มอเช้าผมตั้ำเพนเพื่อนก็นมาช่วยกินนันรอก็นหมดองอีอ <c oughs> จบไม่คุยกันต่อใครไม่พิจารณาย้ำมาทงมางเนี้ยไอชอเอ้ถ้าวันรถจริงเทปไม่พ อ, อไม่เป็นไรถ้าตกลงก็จ ะ, ละไล้ใช่ อ๋อส่อ๋อลอรถที่อยู่ที่เทบในพออาไม่ใช่ละอ๋อส่งจากวัดนี่อ๋อส่งรถอะรแต่เอาตอหันใหญ่ต้องขั้นใหญ่ถ้าคนถ้าคนสามสิบก็ต้องส่งข่านแผนไปเดี๋ยวม่มันขึ้นมาใหม่เต็มนี่ก็เดี๋ยวต้องมาดูถามๆให้เจีบมันอยู่ห้ารอยปีใเทีนยมีแม่กินไหม หกแม่นี่หกแม่เลใช่เอ้แปดใช่ไหมไม้สองแม่ใช่ไม่ที่ผ่านแล้วนถ้าอยู่ที่ไทยก็บอกเลยเดยวแม่จิตคนเดียวจิต ก, ก็ที่ผ่านแล้วพวกนี้เข้าไปเข้าไปหมดแล้วใหม่เนี้ยฉันกำช้าไปแล้วเนี้ย อม่ไม่กาแฟลูกไม่าดําเมียเมื่อกี้เขามายิงกันเป็นตับไหมเปล่งซอสหอมไอ้แจ๊บเรียกทีแม่แกีมันอัศวติแจ๊ไอ้น้อยน้าอวติมันเรียกดูทา่แม่ทุกนั้นเลยแม่จะเป็นนั้นอย่างไรจับกระเท้าเข้ามาย็นรวมชุดๆเข้ามาอธิฐานเกียนว่าร่างกายต่อ คำว่าสร้างกายต่อเพราะว่าน่ะอธิฐานแต่ว่าคำว่าอธิฐานว่าละหันนี่มีผลไงมีคำว่าอธิฐานว่าละหันเนี่ยถ้าอธิฐานไม่ยังไงจะไม่จะเป็นธรรมนั้นไงแต่ว่าท่านโคมารพัฒนท่านทำกายเหล็กคนมั้งบอกเยี๋ยสนิขึ้นองท่านล่อเช้าอย่างเหล็กเช้าอย่างทงแดงแต่เคยเคยล่อตลอดเวลาเพรปกติท่านปกติธรรมานที่ที่านล่อต้องตึงต้องตึงตอนที่ไปถามท่านตอนนั้น่ะ เมรุพุทธเจ้านิพพานท่านเป็นพระโสดาบันตอนนี้ประวัติไม่มีเอกสารบันทึกก็ได้บ้างก็คงจะเล่าล่าสู่กันฟังแล้วแต่ว่าตอนที่เมรุพุทธเจ้านิพพานนัะท่านเป็นพระโสดาบันนะมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ดีกา เ, เขาเขียนไว้เป็นเหตุให้สงสัยตอนทานายชีวิวโกมารพัฒท่านกลับมา ไม่รู้ท่านไปไหนเวลาพาระเจ้ามีภัยป่วยที่ปาวาลเจดีท่านไม่อยู่พาราะเจ้าเนี่ยป่วยมากเมื่มอกีดถามท่านตบนวัตอนนั้นท่านทรงประชวรมากมายท่านบอกมากมากหรอพ่อป่วยมากร่างกายมันทรงเต็มที่พ่อถึงไม่ย้ายไปไหนอยู่ที่ปาวาลเจดีเนี่ยหลายเดือนหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนที่อยู่ที่เดียว น, นี่ไม่ใช่ไม่ใช่วิสัยพระเจา้าใช่ไหม แต่ถ้ามรนดาพระเจ้าจะอยู่ไปเทึงหกเจ็ดเดือนหรอกตั้งอยู่ตั้งครึ่งปีก็ไม่เมีย <c oughs> อยู่มาก่อนนั้นนะั้ตั้งครึ่งปีแล้วนะนั้นอธิฐานแล่อยู่สมเดือนเป็นแล้วปีนั้นทั้งปีท่านยังไม่ได้ไปไหนเป็บอกท่านบอกที้ที่ปาวาลาเจดีนี่ทนะ่านป่วยหนักร่างกายไม่ดีมากแล้วก็อาชีพค ก, กุมารพัชก็ไม่อยู่ถ้าท่านก่อพิจนารณาแลเห็นว่ามันก็ควรจะผพาน ในวาระที่คนยังนิพัยปพอดีพอดีพญามารมาขอพอดี <c oughs> พญามารมาขอท่านบอกดูก่อนปาปิมะพวมิบาตพญามารบอกว่าท่านสัญญากับเราไว้ว่าเมื่อวันออกมาลุยวิเศษสมานิปัญญาแล้วเราขอเตือนในิพพานแต่ท่านบอกว่าถ้าบริษัทสี่ที่ิสุทธิสุนีอุบาสกมัสกายังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เพียงใดเราจะยังไม่นิพพานก่อน อรยาใหมก็บอกว่าเวลานี้พิสุพิสุนี บ, บาสกบัณฑิการหมายถึงว่าทั้งพระผูหญิงทั้งพระผู้ชายทั้งชายกผู้ชาหญิงเนี่ยแปลหลังกังเนเยอะแล้วเห็นไหมสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วกว็คนยังได้ทานได้ให้บอกปาพิมมะโดยก่อนมารผู้มีบาปเธอัะถอยไปถ้าไม่ได้รับมารตรง่นะั้นท่านถอยไปแล้วท่าเนียมตรงอายุสังขันที่จะนานแล้วมันไม่ไหวร่างกายมันไปไม่ไหว คือว่าตัดสินใจวับตนนี้ไปอีกสามเดือนวันนั้นเป็นวันกลางเดือนสามก็เป็นกางเดือนหกเราจะนิพนา์ที่ระว่าดนางร่างคู่ให้มันกุศินดาพอตรงอายุสังขารก็เป็นดินไหวพอวั น, นี้มาราฟาลมันก็ตกใจเข้าไปถามท <c oughs> ่านบอกเหตุที่เป็นดินเป็นเป็นดินไหมแปดอย่าง ท, ท, ท่านผู้นิทธผู้มีลิ์แสดงแล้วกระว่าเ่ยเราไปลงท้ายว่าพระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงพรงอายุสั่งขังก็เป็นไหวพระนอนกระทุค์คอยอยู่ต่อท่านบอกว่าไม่ใช่วิสัยแต่เราพรว่ากาัน ต, ตามที่เขาเขียนเขามากไป <c oughs> ท่านบอกว่ามันไม่ใช่วิสัยที่แตถาข้ยืนถึงกลับหนึ่งเพราะว่าที่ท่านบอกว่าว่าคนที่คล่องในปฏิบาทิสี่คนยิง่งพระหัต์องค์ก็คล่องปฏิบัติสี่เท่านั้น คนที่คล่องในที่บาท4ีอันนี้ทนให้ร่างกายอยู่ั้งกลับหนึ่งก็ได้เมื่อพระอนนทุนข้อนี้ท่านบอกว่าถ้านบออย่าลืมแล้วก็กลับนี้พระเจ้าจะตรัดอีกหองถ้าหาท่านไม่อยู่ขวางทางอีกหกองจะมาไงใช่ไหม